ย้อนมาอีกครั้งหนึง่งเช่นยกอ า, อายตนะที่เราคุ้นเคยเนี่ยคือตากับรูปใช่ไหมตากับรูปนี่เรียกว่าสล า, ายตนะอายตนะเหล่านี้มาจากอะไรเป็นปจัจจัยอายตนะนี่นะมาจากมหาภูต ร, รูปเป็นปจัจจัยมหาภูต ร, รูปเหล่านี้มาจากอะไรกับจิตตุสอาหารกรร ม, มวิญญาณเนี่ยนะยกชัดๆเลย กรร ม, มวิญญาณเป็นปัจจัยกรร ม, มวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยสังขารเป็นปัจจัยสังขารมีอวิชชาเป็นปัจจัยโดยอุปนิสัยนะปัจจตูปนิสัยแต่จริงๆแล้วสังขารอันนี้เช่นตาของเราเนี่ยด้วยผลบุญนะอวิชาเป็นปัจจัยโดยปกตูปนิสยปัจจัยแต่บุญที่ทําให้มีตาเนี่ยเกิดกรร ม, มวิญญาณสังขารอันนี้มาจากเช่นนะันะบุญตัวนี้ต้องเป็นไต่กับทานศีนลภาวนาใช่ไหม ทานวันทานนี้เจตนานี้ต้องเป็นกุศลถ้าเป็นทานก็ต้องให้อ่ะก็ต้องให้มาโดยอารมณ์ก็ต้องเป็นวัตถุทานที่เป็นบุญโดยวัตถุเนี่ยนะโดยสัมปยุตรธรรมเป็นกุศลทั้งนั้นเลยแต่อวิชานี้เป็นเป็นปัจจัยให้สังขารนี่นเป็นสัมปยุตปัจจัยของกรรมวิญ ญ, ญาณกรรมวิ ญ, ญญาณนั้นด้วยอานาจของอุปชา กับอร拉ประเจตนาก็เป็นปัจจัยให้แกมหาพูดมหาพูดอันนั้นก็เป็นนิสยปัจจัยเป็นที่อาศัยของตาอัน น, นของจกักรคู่ภาษาท่าอาศัยจกักรคู่ภาษาท่ากับสีสีซึ่งมาจากปัจจัยไหนก็ไม่รู้ ม, มหาพูดเนี่ยนะเอานะเช<ว>่นสีของผู้การเนี่ยโว้ยกรรมที่ไหนพาเป็นปัจจัยก็ไม่รู้อาหารตลาดไหนมาบ้างก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนีที่ที่มาเป็นปัจจัยให้แล้วจิตดวงไหนบัางก็ไม่รู้เป็นปัจจัยแก่สีอันนี้เข้า จิตเห็นมันจึงเกิดขึ้นอย่างงี้เพราะฉะนั้นในในขณะที่เห็นแล้วเกิดความคิดขึ้นน่ะนะอะไรเป็นเราอะในระหว่างนี้ความเป็นเราในตอนนี้ยังหามไม่พบเลยถ้าแล้วในอดีตควรหรือจะถามว่าเรานี่มีในอดีตหรือเราจากมีในอนาคตไม่ควรแบบนั้นแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่กาลังมีอยู่นี้เกิดจากปัจจัยใช่ไมถ้าปัจจัยเหล่านั้นนั้นยังไม่ดับ ตาพรุ่งนี้จะมีอีกไหมถ้ายังไม่ตัดปัดจจัยที่เป็นต้นเหตุได้เด็ดขาดนะ ม, มันเหมือนกับเด็ดยอดผักอะ น, นะ<ม>เด็ดยอดผัก<ม>เดีดยด๋<ม>ดดยวพรุ่ง<ม>นี้ไปดูเอา้ามีอีกแล้วเพราะฉะนั้นผักบางอย่างอะนะผักบางอย่างเด็ดแล้วก็ยอดแต่กุดเลยแต่ว่าพูดถึงผักที่มันเด็ดแล้วมันงอกอีกนะเช่นผักบุงอะ น, นะถ้าเด็ดอีกสามวันไปดูใหม่อา้าผักก็ยังรามเดิมเนี่เหมือนกันลักษณะนี้ก็เหมือนกันเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้ถอนรากถอน แล้วต้นรากโคนของของขันอายตนะที่เป็นไปเนี่ยรากมันคืออะไรอวิชาเนี่ยเป็นรากอย่างหนึ่งตันหาเป็นรากอย่างหนึ่งอันตันหามานะเป็นต้นเนี่ยเป็นรากของขันอายตนะเหล่านี้ถ้าต้องการถอนก็ต้องถอนอวิชาถอนตันหาถ้าถอนได้ขันอายตนะเหล่านี้ก็ไม่ไม่เป็นไปนี่นะทีนี้บุคคลเมื่อ เมื่อแยกแยะถึงปัจจัยและปัจจยุบันความเป็นเหตุเป็นผลของขันยัตตนาที่สืบเนื่องกันลักษณะนี้ละไออุเฉท ท, ทิฐิได้ถ้าหากว่าทีนี้ไอ้บางคนเนี่ยคิดว่าทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องกันไปเอ๊แต่มันเที่ยงนะมันดูออกจะเที่ยงไปแต่ว่าคือไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีรากอยู่แต่ถ้าถอนรากนะสิ่งเหล่านี้จะขาดหมดเลย เพราะนั่นก็ถ้ารู้ว่าถ้าถอนรากแล้วปัจจยุบันเหล่านี้จะดับหมดอันนั้นละสัสตทิฐิได้นะทีนี้เอกการละแบบนี้เนี่ยด้วยความเข้าใจด้วยสุตตะหรือด้วยการพิจารณาก็ตามก็ยังถือว่าเป็นการละทิทิด้วยอำนาจตะทางข้าประหารคือยังไม่ได้ถอนเด็ดขาดการจะถอนไอ้ละที่อันนี้ได้เด็ดขาดต้องไม่มีสังขารพวกนี้เป็นอารมณ์ก่อนเขาบอกว่าต้องจิตหลุดพ้นนะนีน จิตหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ก่อนถ้าไม่หลุดจากสิ่งเหล่านี้นะก็ยังเกาะสิ่งเหล่านี้อุปมาเหมือนอะไรอุปมาเหมือนกับสามีพันยาที่ทะเลาะ ก, กันอ่ะนะถ้ายังไม่ได้อยาดขาดกันจริงๆอ่ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คุยกันต่อเนะนะี่ยนะก็ก็ไม่เห็นด้วยนะก็ทะเลาะ ก, กันหน้าดูอ่ะอย่างของผู้ที่เจริญวิปัสสนาเหมือนกันนะถ้ายังไม่ได้หลีกออกจากสังขาร น, นิมิตรจริงๆเลยนะก็อโยนิโสเอาใหม่อีกละเรานะ ทำไมเมื่อวานว่าไม่ใช่เราอ๋อคือจริงๆแล้วทั้งกุศลและอ ก, กุศลมันเกิดจากปัจจัยทั้งนั้นอนะ่ะถ้าไม่มีโยนิโสมนัิการเมื่อไหรก่ก็ก็เราอ่ะนะคิดไปคิดมาไอ้เรานี่ ม, นมันมีหรือไม่มีในอดีต แ, แล้วความคิดอันนั้นเป็นเราใช่ไหมความคิดอันนี้มันก็เกิดจากปัจจัยอีกนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากถ้าโดยลําพังนะขนาดมีสูตรแนะนําเบ็ดเสร็จหมดนะยังศึกษาตามยังเข้าใจยาก พระพุทธเจ้าเขาบอกว่าในเรื่องเนี้ยเว้นพระโพธิสัตว์สองประเภทคือปัจเจกกับสัมมาสัมพุทธโ พ, พธิสัตว์เนี่ยไม่มีใครแยกแยะเองได้ น, นะไม่มีใครแยกแยะเองได้ว่าโดยความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยนะเพราะว่าโดยทั่วๆไปนี่แม้แต่กระทั่งปัจจัยหนึ่งที่สําคัญคือกรรมมะปัจจัยก็ปฏิเสธตั้งแต่แรกเสแล้วอย่างนี้นนะก็ก็เธอจะแยกบางส่วนได้ แยกตาได้แยกสีได้แยกปัจจัยเช่นอาหารปัจจัยเนี่ยแยกได้แต่ว่าแยกกรรมาปัจจัยไม่ได้จิตเป็นปัจจัยก็แยกไม่ได้แล้วแค่จิตนี่ก็บงับงก็แยกไม่ได้แล้วอูตุนี่ก็แยกได้บ้างไม่ได้บ้างเนนะมันก็ทุกคนที่ดำรงอยู่ได้จริงๆมันด้วยบุญของตนหรอดูงภาพตายเมื่อตอนอายุสกับตอ น, นอายุห้ 50, มันคนละคน แล้วตกลงมันภาพถ่ายนั้นเป็นคุณหรือไม่ใช่คุณไม่ใช่มันเปลี่ยนไปเรื่อยคนละคนใช่ไหมคนละคนเพราะฉะนั้นถ้าคนให้ใครกู้สตังไว้ในตอนอายุเท่านั้นห้ามไปทวงกันนคนละคนอ่ะอ้าวคนละคนมันถ้าคุยแบบนี้นะใครปลูกมะม่วงไว้เมื่อห้าสิบอยี่สิบปีที่แล้วนะถ้าใครไปเก็บกินอย่าไปโกรธเพราะคนละคนปลูกไว้มันไม่เหมือนกันหน้าตามเปลี่ยนไปเรื่อยตอนาหน้าอย่างก็ฉะนั้นอ่ ก่อนที่จะใคร่ครวญหรือเจริญอ น, นิจจงเนี่ยนะเขาแยกปัจจัยหมดก่อนแยกว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลสิ่งใดควรจะเกิดจากปัจจัยอะไรเนี่ยนะเขาจึงแยกก่อนแล้วโอ้สิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงแต่ถ้าไม่แยกแยะอะไรเลยนะทุกไม่เที่ยงปั๊บเนี่ยจะเข้าอุจเฉดง่ายมากนะจะเข้าอุจเฉถ้าทิฏฐิง่ายมากแต่ถ้าอนัตตาปับ๊บเลยตามเลย อันนะั้นสรุปมันก็จะเข้าทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งต่ออีกจนได้นั่นแหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างพยัญชนะอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าพื้นฐานไม่มีการที่เรียกว่าเจริญปัญญาใคร่ครวนหรือที่เรียกว่าทำปริญญานะก็ไม่ได้พ้นทิฏฐิอะไรเพราะคนที่ทำปริญญาเนี่ยนะสิ่งที่เขาหมั่นทำปริญญาต่อมาคือไอความคิดอ น, นั้นนะ่ะสมมตินะอย่างเช่นเราพิจารณาแล้ตาสีจิตเห็น เขาก็มาใครควรถึงไอ้ความคิดที่มาพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากปัจจัยอะไรอีกบ้างเขาจะใครควรทั้งหมดจนไม่มีความสำคัญว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าสังขารทั้งหลายก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งกันขึ้นแต่รู้ว่าวิปัสนาเนี่ยนะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งนี้มีอุปการะมากเหมือนเรือกับที่เพื่อประโยชน์แก่การ ข้ามฝากรู้คุณ่ะแต่รู้ว่าสิ่งนี้เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งนะดงนั้นถ้ามันผุต้องซ่อมอย่างง้นะต้องบำรุงรักษาต้องดูแลให้ดีวะเพราะว่าเป็นสังขารที่มีอุปการะคุณมากเนี่ยนะแต่ว่าถ้าถึงที่สุดแห่งสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องแบกก็ไม่ต้องแบกเรือขึ้นบกด้วยนะ ท่านนึงให้ความสําคัญในเรื่องเรื่องปัจจัยมากท่านบอกว่าถ้ารู้ธรรมะโดยที่ไม่รู้ปัจจัยนั้นถือว่าไม่รู้ตัวธรรมะมิจเลยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะจะแก้แก้รับที่มิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นอัตตานุทิฏฐิก็คือสําคัญเนี่ยขันอายตนาธาตุพวกพวกส ก, กายทิฏฐิแต่ถ้าไอขันอายตนาธาตุเนี่ยถ้าไม่แยกถึงปัจจัยต่อไปมันจะเข้าอุเฉททิฏฐิ หรือศาสตะทิฏฐิถึงแยกว่าเป็นขันนัยตตนาธาได้ก็ตามถึงแยกได้ก็ตามเหมือนกับสมมติวอย่างทางแพทย์เนี่ยก็แยกสรีระนะในส่วนของรูปก็แยกได้อย่างละเอียดมากเลยนะละเอียดกว่าศัพท์ทางธรรมะเราด้วยซ้ําไปแต่ถามว่าพ้นไออุชเชททิฏฐิกับศาสตะทิฏฐิไหมไม่พ้นเนี่ยนะเพราะไม่รู้ถึงปัจจัยเนี่ยนะไม่ถึงปัจจัย คือไอปัจจัยที่ที่สําคัญเนี่ยที่เขาไม่รู้คือโดยเฉพาะกรรมมะปัจจัยเนี่ยนะก็ก็ทุกอย่างก็ยกให้แล้วแต่ปัจหลายอย่างนะแล้วแต่จะรับที่ของผู้นําเสนอนั้นไปเนี่ยนะแต่ก็พื้นฐานก็ไม่ได้เกิดการแยกแยะถ้าไม่แยกเยี้ยสิ่งที่ติดตามมาคืออะไรถ้าทิฐิเหล่านี้เกิดขึ้นนะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าทิฐิเกิดขึ้นพระองค์บอกว่าไม่มีอะไรที่จะมีโทษเท่ากับ ทิฐิเพราะคติสองของทิฐิคือนรกกับเดรชานเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเดรชาญจึงเยอะเหลือเกินเนี่ยนะบริษัทตั้งกำจัดปลวกมาหลาย10ปีแล้วก็ไม่เห็นหมดสักทีนี่นะฉีดพ่นสเปรย์ไล่ยุงหน้าดูก็ไม่พ้นเพราะทิฏฐิที่เป็นต้นเหตุแห่งการปฏิสนธิณที่นั้นๆไม่ได้หมดอะไรเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคติคือเดรชานเป็นต้นหรือนรกเป็นต้นเนี่ยที่ไม่หมดก็มาจาก อทิฐิเพราะฉะนั้นใครเล่าจะรู้จักพิษภัยของทิฏฐิอันนั้นเนี่ยนะเว้นแต่คนที่เห็นโทษของขันเท่านั้นบุคคลที่เห็นโทษของขันอยนายตนะธาตุเช่นผู้ที่สะสมบุญมาเนี่ยนะผู้ที่บำเพ็ญบุญตั้งความปรารถนาเพื่อความพ้นทุกเนี่ยพวกเหล่านี้โดยพื้นฐานเขาเห็นโทษของขันอยนายตนะธาตุนะเห็นโทษยังไง ชาติพิทุกขาชราพิทุกข า, า, า, กขามารณะพิทุกขังอย่างน้อยพื้นฐานไอสิ่งเหล่านี้ชร า, านะเจ็บป่วยนะตายนะมีการทัดพรากนะมีการประสบกับสิ่งที่ไม่น่าปรานานะก่อให้เกิดความทุกข์ทางกายก่อให้เกิดความเสียใจเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความลำบากกายลำบากใจเป็นอันมาก น, นะแล้วก็บริหารที่มันเป็นภาระอยู่ทุกวันก็คือบริหารขันนั่นแหละเนี่ย แปลงฟันมันละสองรอบเนี่ยนะครบแปลงสักยี่สิบปีเนี่ยนะแปลงกี่ครั้งอะนะล้างเช็ดแล้วแปลงล้างเช็ดแล้วก็แปลงล้างเช็ดแล้วก็แปลงอะนะเอาอย่าเอาแปลงฟันเอาล้างจานก็ได้นะจานเกสตดานะกินข้าวทีแปลงฟันีก่อนเนี่ยไงข้าวทีก็แปลงฟันทีแปลงฟันมันดีขึ้นไหมเสียฟันเลยเลิกแปลงเลแล้วเลิกแปลงก็ไปคุยกับคนอื่นใกล้ๆหน่อยนะ ทีนี้เมื่อเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้นะก็เมื่อบุคคลไม่มีการแยกแยะก็กยากทีนี้ผู้ที่จะแยกแยะสิ่งเหล่านี้ละเอียดถามว่าต้องใช้ความสมาธิมากไหยในการแยกแยะสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าจิตตะศิขานี่จึงจึงจําเป็นนีนะอย่างที่ที่เรามาแยกแยะได้เพราะอาศัยพื้นฐานมาจากคําสอนในขณะที่ผู้แสดงธรรมะอยู่นะถ้าแสดงไปตามธรรมหรือผู้ที่ฟังแล้วตรึกไปตามธรรมมันนั้นเป็น สมถะเนีย่ยนะเป็นสมถะอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ถ้าเวลาอื่นทําไมเราไปเจริญไม่ได้เพราะว่าสมถะเราไม่ดีแต่ช่วงที่ฟังทําไมฟังได้เพราะาเจริญธรรมานุสติพร้อมกันในตัวขณะที่ฟังขณะที่แสดงนะผู้แสดงหรือผู้ฟังก็จะถือว่าเจริญธรรมานุสติโดยเรียกว่าโดยโดยปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะเรียกว่าเจริญแบบไม่รู้ตัวนกัก น, นะเพรา ะ, ะนั้นพื้นฐานจากธรรมานุสตินะจึงเจริญได้ จึงมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้แต่ว่าทำยังไงที่จะให้ใข้ครสิ่งเหล่านี้เป็นอัธยาศัยละ่ะอันนั้นแหละที่จะต้องสึกขาล่างๆก็ต้องจะต้องแม่นยา ม, มากขึ้นนะนะอันนั้นคือความจำเป็นบางคนยังไม่ทันออกห้องอ่ะนะฟุ้งไปไม่รู้กี่สิบเรื่องแล้วอย่างนี้ ทีนี้ในบรรดาสมมติที่เราเรียกว่าคนเนี่ยนะโวหารว่าภาษาไทยเรียกว่าคนถ้าคนอินเดียน่ออาจจะเรียกสัตตะหรือปุคละชีวะภูตะอะไรก็แล้วแต่แต่ไทยนิยมเรียกว่าคนเมื่อแยกแยะโดยเป็นรูปแล้วมีรูปนะหนึ่งคนนะไม่เกินยี่สิบเจ็ด มีจิตนะผู้ที่ไม่ได้เจริญจิตตสิกานะไม่เกินสี่สิบห้าแต่ว่าโดยปกติก็สักเนี่ยเอ่อขอพสิบสองบวกอเหตุกจิตสิบห้าะอพอเหตุกจิตส7บเจนะเออเนี่ยอันเนี้ยโดยมากแล้วก็หลับอีกตระกูลวิบาศก อีกแปดมหาวิบากนะพื้นตกปกติทั่วๆไปคืออากุศลสิบสองอเฮตุกะสิบเจ็ดวิบากอีกแปดเนี่ยดำเนินชีวิตประจําวันเนี่ยมีจิตอยู่โดยมากมีอยู่เท่านี้แหละ น, นั่นนะหมากุศลเ น, นี่น <laughs> นยนะเอาตอนไหนดีขนาดไหนดี เอาฟังทำอ่ะนะเอาถ้าฟังทำอ่ะนะถ้าตอนไหนตั้งใจฟังเข้าใจหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่ดวงแต่ก็ตั้งใจฟังอ่ะแต่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะนะอันนั้นก็สี่นี่ก็พวกสี่นี้ก็บางโสมนัสหรืออุเบกขาวิชาเหล่านี้โดยมากอุเบกขาทั้งนั้นเนี่ยนะวิชาที่ฟังอุเบกขาคือเนี่ยอภิธรรมเนี่ยนะ เป็นห้องที่ไม่มีใครหัวเราะเลยอ่ะโดยมากคือวิชานี่มีไมคุณจูสียิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากไงนะอย่างงั้นหรือเปล่าแต่ถ้าฟังแบบชาดกมั่งเรื่องราวนะถ้าเป็นชาดกหรือเป็นพระสูตรทั่วไปก็จะโสมนัตหน่อยแต่ถ้าโอ้จิตกี่ดวงเกตเศก น, นั้นประกอบเป็นขันเท่าไหร่อย่างนี้นะเออชักแล้กก็เดือดร้อนลนะหวัวนี่ร้อนผ่ามาดูเวลาแลวดูอีก มาเรียนก็ตาไมี่สาบอกเียวไปรียนดยวบ้างก็ไม่เรียนยอย่างกดีงั้นเน่ย <c oughs> <c oughs> ถ้าเรียนก็ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาเรียน <c oughs> ใครจะมีปัญหาอะไรถามไหมครับท่า้อาจารย์พักบ้างครับ การ <Hey, me. S 1> คือผู้สอนนี่ยนะยืนด้วยนะเหนื่อยด้วยนะ <Hey. S 1> คนที่สอนนี่นะคนที่สอนจริงจะรู้ว่าเหนื่อยนะชั่วโมงชั่วโมงโดยเฉพาะเอ่อคนมีอายุใ น, นเหนื่อยมากเลยขอนมัสการถามว่าทิฐิที่ใหญเป็นสกายทิฏฐิ กับสิรภาตะปามาสนั่นนะครับทิฏฐิ ท, ที่ที่ว่านีอาเหตุกะก็ดีอกิริยาก็ดีนั่นมันแจกมาจากศิลภา พ, พะปามาสะเฉลิปลาองค์ทิฏฐินี้มันจะแยกอย่างี้กันแยกจากไอส ก, กายะทิฏฐิยี่สิบเนี่ยนะ 20นี่ก็แยกออกมาเป็นสัตตะสิบห้าอุเฉตหทีนี้พวกอุเฉตเนี่ยมาขยะมาแยกเป็นอกิริยะทิฏฐิเ อ, นะอาเฮตุกะทิฏฐิแล้วก็นัทิกะทิฏฐิแต่ว่าพวกสัตตะทิฏฐิอาจเป็นได้ว่าทุกอย่างเนี่ยลาบลอย คือพวกนี้จะต่อด้วยวิสมเหตุเนี่ยนะวิสมแปลว่าเหตุที่ไม่สมไม่เหมาะสมอ่ะนะคือก็ถือว่าเกิดจากเหตุแต่เหตุที่ไม่ไม่สมควรเช่นถือโชคถือลางถื อ, อผู้เป็นใหญ่สร้างขึ้นมานะก็แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วอกักขริยะที่เทีทเหตุตุกะที่ถินณทิกะทิถิอยู่ในอุเฉททิถิแต่พื้นฐานทั้งหมดเกิดจากความ เพลิดเพลินในสิ่งนี้เกิดจากการเพลิดเพลินในสิ่งนี้ถ้าไม่เพลิดเพลินในขันอายตนะเหล่านี้นะจะไม่มีความคิดเหล่านี้ขึ้นเลยเห็นเพราะว่าไอความคิดอันนี้เกิดร่วมกับโลภะเห็นไหมโลภะมาจากไหนเวทนาเวทนามาจากไหนผัสสะ ภาษาก็คือสิ่งเหล่านี้่มันประชมกันเรียกว่าภาษภาเพราะฉะนั้นฐานะของทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิมันก็เกิดจากขันธ์นัยะตะนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ก็ถามว่าทิฏฐิเนี่ยนอนเนื่องอยู่ที่ไหนนอนเนื่องอยู่ในวตัตฏะในฟูมสามหมดเลยในสักกายะทั้งมวลทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐิได้หมดเลยแต่ทีนี้ในบรรดาทิฏฐิที่ ท, ท, ท, ท, ท, ที่มีโทษแล้วนําเกิดเนี่ยคือสามตัวเนี่ย ที uhm, ่ล่วงกรรมมาบดเนี่ยอกิริยะทิฏฐิเอเหตุกะทิฏฐิและนัตทิกะทิฏฐิแต่พวกเนี้อย่างกลมทิฏฐิอื่นๆตรงๆแล้วตรงตัวสกายทิฏฐิที่ที่ไม่ถึงกับอากิริยะทิฏฐิเอเฮตุกะทิฏฐินัตทิกะทิฏฐิเนี่ยตรงๆแล้วยังไม่นําเกิดคือไม่นําปฏิสนธินะแต่เป็นปัจจัยแห่งกรรมอื่นให้ปฏิสนธิได้ ไม่ห้ามสวรรค์แ ต, แต่ห้ามมัตยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทิฏฐิขณะขณะขณะใกล้จุตีนะถ้าทิฏฐิเกิดขณะใกล้จุตีก็คติสองคือนรกกับเดรชาแต่หมายถึงว่าขณะก่อนจะตายเป็นกุศลก็เรียกว่าไม่ห้ามคือเพราะทิฐิตรงนี้ยังไม่ได้ห้ามห้ามการเจริญกุศลอะไรถ้ากุศ ล, ลจิตเกิดก่อนตายได้ก็ไปดีได้แต่ถ้ากุศ ล, ลจิตเกิดก่อนก็ ปรึกษาญาติไว้ให้ดีให้เขาทำบุญอุทิศไปให้ลองฟังพระสูตรสูตรหนึ่งกันนะอนาถบินทิกะเศรษฐีเนี่ยแก้แก้แกมิจฉาทิฏฐิได้ดีมากาในอังคุตรนิกายทัศกาลนิบาทข้อ93ทิฐิสูตร กล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแหละท่านอนาถบินทิกะครืหาบดีออกจากพระนครสาวัตถีแต่ยังวันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือแสดงว่าเข้าไปวัดในภาคบ่ายนะปกติเย็นๆเขาจะมีการฟังธรรมในวัดเป็นต้นเนี่ยแต่ทีนี้วันนั้นเนี่ยคือออกจากบ้านเร็วหน่อยนะ คือเรียกว่าออกจากบ้านแต่ยังวันเช่นเขาฟังทำอ่ะช่วงค่าๆหน่อยใช่ไหมแต่นี่ออกตั้งแต่3ามโมงไงนะมันก็เลย เ, ยเวลานี่เหลือเยอะห ล, หลับนั้นท่านก็ได้มีความคิดว่ามิใช่เวลาเพื่อจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงหลีเกเล้นอยู่มิใช่การเพื่อจะเยี่ยมพิกษุทั้งหลายผู้ยังใจให้เจริญเพราะพวกพิกษุผู้ยังใจให้เจริญยังหลีเกเล้นอยู่ ก็คือแต่วันน่ะนะท่านยังหลีกเล่นยังเจริญกรรมฐานเบื้ต้นของท่านอยู่อยากกันนั้นเลยเราพึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรธีปริภาชกเถิดลำดับนั้นท่านอนาถาบินทิกะครืหาบดีจึงเข้าไปยังอารามของอัญญะเดรธีปริภาชกก็สมัยนั้นแล้วพวกอัญญะเดรธีปริภาชกกําลังร่วมประชุมกันบรรลือเสียงเอ็ดเอิงเลยนะีนั่งคุยอะไรกันประชุมกันหมู่คณะใหญ่ ก็บอกว่านั่งพูดกันถึงเดราช า, ราลคาถาหลายอย่างด้วยกันเรื่องช้า เ, เรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องราชธานีเรื่องชนบทเรื่องยญิงเรื่องชายเป็นต้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นพอได้เห็นท่านอนาถาบินทิกาเครืหาบดีเดินมาแต่ไกลครั้นแล้วก็ยังกันและกันให้หยุดกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเบาเสียงอย่าได้เปล่งเสียงอนาถาบินทิกะครหาบดีคนนี้เป็นสาวกของพระสมณะโคโดมกาลังเดินมา อนาถมินทิกาเครหบดีนี้เป็นสาวกคนหนึ่งในบรรดาเครือัดผู้นุ่งห่มผ้าเขาซึ่งเป็นสาวกของพระสมณะโคดมอาศัยอยู่ในพระนครสาวัตถีก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ใคร่ในเสียงเบาได้รับการแนะนําในทางเสียงเบากล่าวสรรเสริญเสียงเบาเพรนะาะฉะนั้นแม้กระทั่งอุบาสกก็ยังชอบเสียงเบาเลยนะยังชอบเงียบก็ได้รับการแนะนําแต่เรื่องเงียบมาว่า แม้ไฉนเขาทราบบริษัทผู้ผู้มีเสียงเบาพึงสําคัญจะเข้ามาหานะพวกเราเงียบๆนะถ้าเราเงียบนะอนาถจะเข้ามาเขาถามว่าทําไมอยากให้อนาถบินทิกะเข้าไปก็เหตุผลก็คือว่าเออวันหลังอ่ะเขาก็จะได้เข้าเวลาเข้าไปในเมืองเป็นต้นเขาจะบอกเห็นไหมอนาถยังเข้ามาวัดเขาเลยนะอนาถยังเข้ามาสมนวนว่ายังเข้ามาทําบุญน่ยนะพวกแกไม่ทําบุญยังไงอ่ะนายก็เอาไว้เป็นข้ออ้างอ่ะนา เพราะฉะนั้นถา้าเข้ามาเนี่ยจะดีมากอนะาสมัยนี้ก็เหมือนกับว่าเอ้ยเนี่ยถ้าคนใหญ่คนโตมานะก็เผื่อจะเอาไว้เป็นข้ออ้างอย่างอื่นๆได้นะเพรา ะ, ะนั้นปริพาชคเหล่านั้นก็นั่งนิ่งอยู่ท่านานาถาบินทิกะเครืหาบดีก็เข้าไปหาปริพาชคเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยกับพวกอัญญะเดรธีปริพาชค ครั้นผ่านการปรสาสัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วัญญาเดรธี ป, ปริภาชกเหล่านั้นก็ได้กล่าวกับท่านอนาถบินทิกะเครืหาบดีว่าดูก่อนเครือหาบดีขอท่านจงบอกพระสมณะโคโดมมีมมทิฏฐิอย่างไรช่วยบอกทีว่าพระพุทธเจ้านะี้มีทิฏฐิอย่างไรถ้าทิฏฐิของพระพุทธเจ้านี่นะองค์ธรรมคือสัพพัญยุตยานานะใช่ไหมพระพุทธเจ้าทิฏฐินัเป็นสับกลา ง, ลางๆเฉยๆ แปลว่าความเห็นเนี่ยนะพุทธเจ้าเห็นแบบไหนเห็นด้วยสัพพัญยุตยานเนี่ยนะเพราฉะนั้นเขาตั้งคําถามว่าพระพุทธเจ้านี่มีทิฐิอย่างไรอนาถบินทิกะครืหาบดีก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจะไปรู้สัพพัญยุตยานได้ยังไงว่าพระองค์เนี่ยจะรู้กว้างขวางขนาดไหนเห็นไหมแต่จริงๆแล้วคําว่าทิฏฐิของพระพุทธเจ้าก็คือพระญาณต่างๆนั่นเองนะพระญาณทั้งหลายก็เป็น ทิฏฐิแต่เป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคือศัพท์ว่าทิฏฐิเป็นคํากลางๆอะนะแต่ที่ที่เรียนกันนี้ใช้ศัพท์ว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นทิฏฐิในอภิธรรมมัตสังกะหะเป็นเขาเรียกว่าเป็นศัพท์ที่รู้กันว่าหมายถึงมิจฉาทิฏฐิอย่างเดียวแต่ถ้าในพระไตรปิฎกนี้ก็เป็นศัพท์ที่ยังกลางๆอยู่ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้มิจฉาทิฏฐิก็ได้ก็ถามว่าพระพุทธเจ้ามีทิฏฐิยังไงก็แปลว่ามีปัญญายังไงนะ โอ้ยข้าพเจ้าไม่รู้ปัญญาของพระพุทธเจ้าทั้งหมดหรอกว่า ง, งั้นใครจะไปรู้นะสัพพัญยุตยานเนี่ย